เจ้าของเองไม่ได้อยู่ที่อื่นขอไปเข้ามาก็ขอเจ้าของเขาศีนอยู่ที่เจ้าของตัดสินลงที่เจ้าของศีนตัวซอสาอีนอริงสะกดเป็นศีนลถ้าตัดสินที่นี่ตัวซอเสือนอนูนลงก็ศีนอยู่ในที่เจ้าของอนุญะตรำเมที่ตัวนะโรทานศีนภาวนาหรือพุทธธรรมสง์ก็ทรงอยู่ที่ใจของตนทีนี่เคารพธรรมก็คือเคารพใจ ปฏิบัติศีลรักษาศีลก็คือรักษาใจรักษากายรักษาวาิจารถ้าพูดเป็นสามถ้าพูดเป็นหนึ่งก็รักษาใจเพราะใจเป็นนายกชั้นแรกก็ว่านโมนโมสามจบนี่แปลนโมออกก็คือขอนุ่น้อมเดียร์พระผู้มีพระภาก็นั้นตัสัมมาสัมพุทธเจ้าพราะองค์นั้นแปลได้ตอนนั้นแปลเป็นคำใดว่าสามโหนก็แปลสามโหนได้ความอย่างนั้นแล้วก็พูดทางธรรมังสังขังถึงสติตติ เติชนะขมานังนี้ถิต่างก็แปลว่าจบบริบูรณ์ในไตส่สนาคมเท่านี้จะว่าหมดวันวั น, วนยังขําก็จบเท่านี้เราจะถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ถึงสามครั้งหรือหรือเราจะถึงตลอดชีวิตอันนั้นเป็นเรื่องของเราอีกก็ไม่ว่าแต่สามครั้งแหละแล้ว ไ, ได้ไมนไร้ก็ถึงพุทธธรรมสงฆ์ตามเท่าเข้าสู่พระ涅นที่ว่าสามครั้งกเพราะให้มันเหมาะแก่เวลาเฉย นโมจตสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพ <ic> ุทธะนโมจสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะนโมจตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะว่าตาม ทำมังสารังกาชามิสังขังสารังกาชามิดุติยมพียบทังสารังกาชามิดุติยมพียทำมังสารังกาชามิดุติยมพีสังขังสารังกาชามิ อัเตยมเพยบทังสารนังกจามิตัดเตยมเพยธรรมังสรนังกจามิตัดเตยมเพสังคังสรนังกจามิสารนกขมานังเนธิตังปานาเตปาตังเวรมนีสิกาปังสมารยามิ อดีนาดานเวรามนัยศิขะปางสมานิอามิเก้ามิจตาจารวเวรามนัยศิขะปางสมานดิอามิเก้ามิจต้า สุรามีเรมัญชัพปัมมาเดชานาเวรมัิสิกาปะรังสัมาทิยมิตริมานีปัญชัสิกาปะรานิสิเลนะสุกติงัญติสิเลนะภสัมปาสิเลนะเนบุติงัญติตันสมาสิลังวโสทะเยเมรัมณีแปลว่าเว้นแล้วเสียขาประทังสมาทิยมิ เป็นศิกขาบทหนึ่งหนึ่งอยู่ที่ใจศินห้านี้ถ้าไม่ล่วงละเมิดมันก็เป็นศินตัวเดียวอยู่ที่ใจกลมเกลืนเป็นเชือกห้าเกลียวอยู่ที่ใจศีลห้าเป็นศีลของพุทธศาสนาเบื้องต้นเป็นพรหมจันทร์เบื้องต้นเป็นศีลของพระโสดาบ์บัณนกนะโมนะโมเปรียวนอบน้อมนะโมกายนะโมวาจานะโมใจ ที่ย่นน้โมลงเป็นหนึ่งก็คือน้าโมใจแปลว่านอมนอมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นอมนอมพระภูมิภาพกัหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนั่นอยู Pakistani ่ที่ไหนก็นั่นอยู่ที่ใจเพราะใจเป็นผู้ทําเพราะใจเป็นผู้ระลึกถึงหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็หาเห็นอยู่ที่ใจถ้าไม่เห็นก็ไม่เห็นอยู่ที่ใจถ้าหายก็หายอยู่ที่ใจถ้าเห็นก็เห็นอยู่ที่ใจหลวงปู่มั่นเดินโยมภาวนาไป เขาถามหลวงพ่อหลวงพ่อเดินทำไมเดินหาพุทโธพุทโธเราหายเห็นไหมลราหลวงพ่อเห็นเห็นอยู่ที่ไหนเห็นอยู่ที่ใจมันหายออกอย่างไหนหลวงพ่อมันก็หายออกกไกใถ้าหาเห็นก็เห็นอยู่ที่ใจกระทู่ก็คือก็คือกระทู่ใจกระทู่กายกระทู่วาจากระทู่ใจกระทู่จะมีกี่ล้าน ก็เป็นกระทู้ใจศีลจะมีขีดล้านก็เป ok ็นศีลใจสมาธิจะมีขีดล uh ้านก็เป็นสมาธิใจปัญญาจะมีขีดล้านก็ปัญญาใจนั่นเองย่นลงมาก็ย่นมาหาใจโวหารก็คือหายลงมาหาใจพระออกไปจากใจพูดมากก็มากออกไปจากใจพูดน้อยก็น้อยออกไปจากใจย่นลงมาก็ย่นมาหาใจพูดเป็นทิการิบาตถ้าพูดเป็นทุกการิบาตก็อนิยศัติ์ัจสี่ธาตุสีในน้ํำไฟลมถ้าพูดเป็น 5้าก็ประขันห้าโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าพูดเป็นหกก็ตาหูจมูกเลิ้ยงกายใจพูดของเก่านี่เองไม่ได้พูดอั่นอื่นถ้าพูดเจ็ดก็สัตวาวาสเจ็ดหรืออภิริหาริยธรรมมเจ็ดอย่างหรืออริยะทรัพย์เจ็ดถ้าพูดเป็นแปด ก็อัธถังสิกามะฆาแปดสมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังโปราจากรมมันโตอาชิวะวายาโมสติสมาธิย่นลงเป็นสามก็คือสีนสมาธิปัญญาสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือเห็นอริยสัจสีทุกสมุทัยในรดมักสัมมาสังกประดำลิชอบดำริจะออกจากกามดำริในอันมาพยายามบาตรดำริใอันไม่เบียดเบียนสัมมาเจริญใจเจริญชอบ คือเว้นจากวจีทุจริตธีสัมมากรรมันตะทำการงานชอบคือเว้นจากกายทุจลิตธ์สาม่าสั ร, รักทัพยปิดปิดในความสัมมาวายามะเพียรชอบคือเพียรในที่ศีรษานเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดานเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วเพียราพาวนาให้กุศลเกิดขึ้นในสันดานเพียรนักษาธกุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมย่นความเพียรลงมาเ 2, พียรสองเพียรละบาปบำเพ็ญบนนักนักนักย่นลงมาที่ใจสัมมาสติและเลือกชอบ ระลึกในสติชัดปัจฉานชั่งสี่ระลึกถึงกายระลึกถึงเวทนาระลึกถึงจิตระลึกถึงธรรมพิจารณากายลงสู่อนัตตาพิจารณาเวทนาลงสู่อนัตตาพิจารณาจิตลงสู่อนัตตาพิจารณาธรรมลงสู่อนัตตาก็ของเก่านี่เองไม่ได้หนีจากนี่พูดมากก็พูดเรื่องกายพูดวาจาจใจพูดน้อยก็พูดเรื่องกายวาจาจใจเป็นนิทานของกายเป็นนิทานของวาจาเป็นนิทานของใจ สมาสมาธิตั้งใจไว้ชอบคือเจริญฌานทั้งสี่งั้นฌานังแปลว่าเพ่งอยู่สมาธิงแปลว่าตั้งมั่นในการเพ่งอยู่เพ่งอยู่ที่กายเพ่งอยู่ที่เวทนาเพ่งอยู่ที่จิตเพ่งอยู่ที่ทำก็เรียกว่าชานังชานังกับสมาธิงอันเดียวกันชานังตัวชอกระเชิญเพ่งอยู่เพ่งเป้าที่ตั้งไว้สมาธิงตั้งมั่นในเป้าที่ตั้งไว้นะ สมาสติสมาสมาธิเจริญฌานทั้งสี่ทีนี้ย้อนทำทั้งหลายลงมาสักลงมาหาเอกจิตเอกธรรมเทศก็เทศเรื่องจิตผู้ฟังก็เอาจิตฟังผู้เทศก็เอาจิตเทศไอ้ทแท้ก็มันก็มาถูกกับผู้เทศกับผู้ฟังนี่เองงา น, นคนตายก็เทศไม่ได้คนมีชีวิตอยู่จึงเทศได้ผู้ฟังก็เหมือนกัน พระเวียนญาณมีอยู่จึงฟังได้ํคำคำสอนของพุทธศาสนา์รนเมีมากก็ทำไมถึงมีมากก็เพราะเทศอยู่ 45, สี่สิบห้าพันษาเทศแต่ละท่านแต่ละคนก็เอามารวมไว้ แท้ hey, แต่ละท่านละคนก็เอามารวมไว้ไม่รู้ว่ากี่ล้านคนก็ครบแปดหมื่นศีพระธรรมขันธ์อ้ที่แทร้รวมลงมาแล้วก็คือศีลสมาธิปัญญาเราดีๆนี่เองย้อนลงมาแล้วก็ศีลสิกขาสิกขาคือศีลยิ่งอธิจิตตสิกขาสิกขาคือจิตยิ่งอธิปัญญาสิกขาสิกขาคือปัญญายิ่งอันนี้ว่าเป็นสามว่าเป็นติกะนิบาตว่าเป็นทุกขานิบาต ก, ก็กายกับใจ กระทุกกายกระทูกใจถ้าจะว่าเป็นทิกานิบาตก็กระทูกกายวายจาจใจหรือนมโมกายนโมวายใจนโมใจมูลโมรดกเดิมคือใจมูลเดิมก็คือใจใครเรียนมูลเดิมจบพระนหันเรียนมูลเดิมจบคือใจของท่านพระเมรเกลเอ็พระโสดาบันไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดศินห้า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 สมบัติของพระสวดบิบาลก็มีอยู่อีกหนึ่งประกอบด้วยศรัทธาเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สองมีศีลบริสุทธิ์คือศีลห้าสามไม่ถือมงคลตื่นข่าวคือไม่คือเชื่อกรรมและไม่เชื่อคือเชื่อกรรมและเชื่อมงคลสี่ไม่แสวงหาเขตบุญนอกพระพุทธศาสนาะห้าบำเพ็ญบุญแต่ในพุทธศาสนาะ พระสวดาบาลต้องตั้งในสมบัติท่าประการและเว้นจากวิบัติท่าประการซึ่งตรงกันข้ามทําทั้งหลายไม่มีมากเราทําให้มากก็มากสิแล้วก็แปดหมื่นสี่พระธรรมขันก็ขันลงในกายวายใจใจนี่เองเทศคนนั้นได้ประโยชน์อย่างนั้นเทศคนนี้ได้ประโยชน์อย่างนี้ไอ้ที่แท้ก็เทศเรื่องศีลสมาธิปัญญากันนั่นเองแต่เทศคนละโวหันเฉยๆนักแล้วเอามารวมไว้ ใครเรียนพระใจตายไปดกจบก็พระอระหันตเรียนพระใจไปดกจบพระอระหันตเรียนน้โมจบน้โมพระอรหันตไม่ได้ม า, น, มานอบน้อมจนไม่มาเกิดแก่เก็บตายในวรารตาสงสารนะักพุทธทางสรณนังคัตชามิพระอรหันตเรียนไตรสรณคมจบถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จนไม่มาเกิดแก่เก็บตายในวรารตาสงสาร ถึงพระนิพพานพุทธธรรมสงฆ์ไปรวมพลกันที่พระนิพพานนิพพานพุทธนิพพานธรรมนิพพานสงฆ์พุทธสงฆ์เบื้องต้นก็คือพระสวสดาบาลเราดีๆนี่เองนั่นปัญธิโตคารมาวะสังบัณชิตเป็นผู้ครองเรือนนัธถีพาลาปรินายกกาคนพานไม่ใช่คนหัวหน้าปัญธิตาปรินายกกาบัณฑิต บันทิตบันทิตเดี๋ยบางท่านก็เรียกว่าบันดิตตัวทอนางวันโถอ๋อถูกแล้วอ่านเป็นภาษามคตรเบันดิตอ่านเป็นภาษาไทยก็บอกว่าบันทิตปันทิตานันจ์รักษาไม่ยากถ้าความพอใจมีถ้าความพอใจไม่มีก็เป็นของยากของหนักเหตุไหนจึงรักษาง่าย เพราะเหตุว่าเชื่อคำสอนระพุทธศาส์นาคำสอนใดๆในใจโลกธาตุเป็นเมืองขึ้นคำสอนของพระพุทธศาสตร์นาหมดอยู่ในตัวแล้วเข็มทิษจะมีกี่นั้นล้านก็ชี้ไปในทางทิศเหนือโดยไม่รู้ตัวฉันใด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 เพื่อให้คำหนึ่งได้หลายทางน้าห้วยหนองครองบึงบางต่างๆไหลลงสู่มหาสมุทรทะเลโดยไม่รู้ตัวฉันใดคำสอนใดๆก็ไหลลงสู่คำสอนของพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวฉันนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้รู้ไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้ไม่รู้เป็นของจริงอยู่อย่างนั้นไม่มีกลางวันกลางคืน เมื่อไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้รู้และท่านผู้ไม่รู้แล้วมันลึกเพียงไหนล่ะชาวโลกมันชีงโง่มันอวดดีอวดดีต่อพระพุทธศาสนาเอาพระเยชูเอาศาสนาต่างๆมาขึ้นสเตตเอาพระพุทเอาพระโคดลมลไปขึ้นสเตตชกมวยกับศาสนาต่างๆมันบาปมาก เอาไปเทียบกันเพราะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะเขาเห็นอยู่ในชั้นนั้นเพราะกรรมโมเนนาวัตติโลกซัดโลกเป็นไปตามกรรมมีปัญหาสอดเข้ามาว่าทำไมจึงมีผู้นับถือพระพุทธศาสนาน้อยนะักเขาตอบว่าเพราะพระพุทธศาสนาเป็นของสูง ทำไมคนจึงสนเข็มไม่ได้หมดเพราะตาฟางพระพุทธศาสนาเป็นของสูงเป็นของลํำเลิดเป็นโลกุตระศาสนาด้วยไม่ใช่โลกีศาสนาเหตุฉะนั้นผู้เคารพรักพระพุทธศาสนาจึงม่น้อยผู้บารมียังอ่อนอยู่ก็ยังไม่ยินดีคือดอกบัวอยู่ใต้น้ำผู้บารมี พอประทังประทางก็คือผู้เสมอน้ำผู้บารมีแก่ก้ามาแล้วก็คือดอกบัวตูมผู้บารมีสูงที่สุดก็คือดอกบัวบานขั้งพระพุทธการเทียบคนสีเ่เราคนสีเ่เราคือเทียบใส่ครับดอกบัวผู้สร้างบารมีแก่กล้ามาแล้วก็คือดอกเป็นตูมจะบานในวันนี้หรือจะบานในวันพรุ่งนี้ผู้ ชั้นที่สองลงมาก็จะบานในวันต่อๆผู้ที่สามลงมาก็ต่อไปอีกผู้ที่สี่อยู่ใต้น้ําย่อมเป็นพักษาแห่งปลาแร่เต่าชิบหายเสียงผู้ที่ถือ ว, ว่าไม่มีบาปไม่บนนั้นคําพูดที่ยืนยันว่าไม่มีบาปไม่บนนั้นนั่นแหละคือเสียงขุดจอบขุดเสียมฝังตัวเองคือเสียงมหาเวจีนะลกเสียงนรกข ม, มืดไม่ใช่ไม่ใช่เสียงคําพูดอะ ทีนี้ดอกวาสิเรามีไหมในครั้งมีมีหรือมีแต่ครั้งพุทธกาลครั้งนี้ก็มีอยู่ทุกการทุกเวลาอัตตะลิโกไม่นิยมการไม่นิยมเวลามีอยู่ทุกการทุกเวลาพระพุทธศาสนาเราจะปกครองกันด้วยวิธีไหนล่ะเออพระบรมศ า, ษ า, ษ า, ษาสดาบอกแล้ว ทำเป็นโรคกะบาลคุ้มครองโลกสองอย่างความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปเท่านั้นจะคุ้มครองโลกได้ถ้าโลกไม่มีอย่างอายต่อบาปไม่มีความกลัวต่อบาปแล้วกฎหมายกดหมู่กดพักกดพวกก็ตั้งไม่อยู่อูข้องทําไม่ น, ำำนําคํานึงก็หมดที่พึ่งพิงเองอาศัยทําความชั่วในที่แก้งไม่ได้ก็ไปทําในที่รับ นั่นนั่นที่ไหนนั่นคือใจของพวกเรานั่นเองไม่ต้องนั่นออกนอกพระพุทธศาสนาสอนมนุษย์สมบัติเต็มภูมิแล้วอมายมุกทุกประเภทมันเป็นมนุษย์วิบัติโลกของเราเอามาทำมาสร้างกันอยู่มันก็อนรมานกันกันอยู่ทุกหย่อมย่านั่นนั่นนั่นันถ้าไม่ถูกมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติจะถูกมาจากประตูใดนั่นนั่นนนนัน ถ้าไม่ถูกสอนสมบัติพรหมสมบัติจะถูกมาจากประตูใด้นิพพานสมบัติก็ปิดไปในตัวนะนะเพราะมันชีอเป้าพิดแล้วมนุษย์สมบัติเต็บภูมิแล้วเนี่ยพระพุทธศาสนานักเลงหญิงนักเลงสุรานักเลงเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิจเจติท่านทํางานในทางที่ชอบ เป็นมนุษย์ปฏิบัติดื่มหน้าเมาเมีโทษทกเสียทรัพย์ต่อการทะเลาะวิวาสเกิดโรคต้องเตะเตียนไม่รู้จักอัยทอนกำลังปัญญานั่นนั่นนั่นโหนเอกเพเื่อบรมสาสดาเที่ยกลางคืนเมีโทษทกชื่อว่าไม่รักษาตัวชื่อว่าไม่รักษาลูกเมียชื่อว่าไม่รักรักษาทรัพย์สมบัติเป็นที่ระแวงของคนทั้งหลายมักถูกใส่ความได้ความลําบากมากเที่ยวดูการเล่นเมียโทษตามวัตถุที่ไปดูหก ตำที่ไหนก็ไปที่นั่นดีดสีตีเผาที่ไหนก็ไปที่นั้นเพลงที่ไหนก็ไปที่นั้นตะเผาที่ไหนก็ไปปก็ไปที่นั่นเถิดเทิงที่ไหนก็ไปที่นั่นครบคนชั่วมีเป็นเม็ดเมียโทษตามบุคคลจะ่ครบหกนำให้เป็นนักเลงหญิงนำให้เป็นนักเลงชูรานำให้เป็นนักเลงเรื่องการพนันนำให้เป็นคนลวงเขาด้วยของพร้อมนำให้เป็นคนโกงเขาซึ่งหน้านำให้เป็นหัวไม้ เกียรติขั้นทํางานก็มีโทษหกมักเครอ้างว่าหนาวนักแล้วก็ไม่ทำการงานมักเครอ้างว่ายังเช่าอยู่แล้วก็ไม่ทำการงานมักเครอ้างว่าเวลาเย็นแล้วแล้วมาทำการงานมักเครอ้างว่าหิวนักแล้วมาทำการงา น, งานมักเครอ้างว่าระหายนักแล้วมาทำการงา น, งานผู้หวังเจริญด้วยพ่อกระซับจงเว้นเหตุเครื่องฉิบหายหกประการนี้เสียนั่นนั่นนั่นโหรเอกพระบรมาศาสตราทายไว้แล้วนั่นนั่น อบายมุกทุกประเภทไม่หาว่าจะลวงแล้วมมดทั้งหมดประตูใดประตูหนึ่งก็ชิบหายทั้งนั้นหนักหนหนักหนมนุษย์สมบัติสอนมนุษย์สมบัติเต็มภูส่วนพศที่ทมาเรียนมันผ่านมาแล้วไม่เป็นหน้าที่จะไปเล่นหัวเล่นเลขเล่นผ้าเล่นบัตรเล่นเบอร์อบายยมวกมันมีหลายอย่างเน้อทีนี้ตระกูลอันมั่งคั่ง จะตั้งอยู่นานไม่ได้เพราะสถานศีลไม่แสวงหาพัสดุที่หายแล้วไม่บูรณะพัสดุที่คร่าคร่าไม่รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติตั้งสตรีหรือบรุษทุศีนให้เป็นแม่เรือนพ่อเรือนผู้หวังจะดํารงตระกูลควรเว้นสถานศีลประการนี้เสีย ข, 4, ข้อสี่ข้อสําคัญมากมนุษย์ทุศีนมาเป็นพ่อเรือนแม่เรือนจะเอาเงินไว้ให้มันจีร ล, ล้านมาก็ชิบหายสองสาวันเท่านั้นมันเอาไปทำนั่นนั่นคนทุศีล น, นั่นนั่นนักน ทำของคารวาสสิสัจจะสัตซื่อแก่กันธรรมะรู้จักข่มจิตของตนขันติอดทนจ่าฆ่าสละสิ่งของของตนแก่คนที่ควรให้ปันนั่นพระพุทธศาสนาสอนมดเนี่ก า, า, ารข้อมิตรพระพทศาสนากว่าสอนเม็ดแท่สี่จำพวกหนึ่งเม็ดมีอุปการะสองเม็ดร่มสุขร่วมทุกสามเม็ดแหประโยชน์สี่เม็ดมีความรักใคร่เม็ดสี่จำพวกนี้เป็นเม็ดแท่ควรครบ หเม็ดจมีอปการะเมลักษณะสี่หนึ่งป้องกันเพื่อนผู้ประมาทแล้วสองป้องกันทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้ประมาทแล้วสาเ ม, มื่อเมตไพรเอาเป็นที่พึ่งนทำนักได้สี่เมื่อมีธุระช่วยออกทรัพย์เกินก ว, กว่าที่ออกป่าสองเมื่ร่วมสุบร่วมทุกเมลักษณะสี่หนึ่งขยายความรับของตนแก่เพื่อนสองปิดความรับของเพื่อนมาให้พละนางพาย สามไม่ละทิ้งในยามวิบัติสี่แม้ชีวิตก็อาจสลัแทนได้สามมิตรเนืประโยชน์มีลักษณะสี่หนึ่งห้าเมกระทำความชั่วสองให้ตั้งอยู่ในความดีสามอนุเคราะห์ด้วยน้ำใจอันงามสี่บอกทางสว่างให้สี่มิตรมีความรักใครมีลักษณะสี่หนึ่งทุ ก, ก็ทุกด้วยสองสุขก็สุขด้วยสามโต้เถียงคนที่พูดติเตือนเพื่อนสี่รับรองคนพูดสนเสริญเพื่อน มิตรมีความรักใคร่มีลักษณะสี่หนึ่งห้าหนึ่งห้ามไม่กระทําความชั่วสองให้ตั้งอยใจความดีสามอนุเคราะห์ด้วยน้ำใจอันงามสี่บอกทางสวรรค์ให้มิตรสี่จำพวกนี้เป็นมิตรแท้ควรครบมิรตรปฏิรูปคือไ ม, ไม่ใช่มิตรแท้คนเทียมมิตรไม่ควรครบหนึ่งคนปลอกลอก สองคนดีแต่พูดสามคนหัวประจบสี่คนชักชวนในทางชิ้หายคนสี่จำพวกนี้ไม่ใช่มิตรเป็นแต่คนจำ ม, มิตรหนึ่งคนปอคลอกมีลักษณะสี่หนึ่งชิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวสองเสียให้น้อยชิดเอาให้ได้มากสามเมื่อมีภัยแก่ตัวจึงรับทํากิจธุ ร, รของเพื่อนเพราะอยากขอชะตาสี่ก็เพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของตัวหวังจะกินตับกินปอดของเพื่อน สามคนหัวไระจบมีลักษณะสี่หนึ่งจะทำดีก็คล้อยตามสองจะทำชั่วก็คล้อยตามสามต่อหน้าว่าสนเสริญสี่รับหลังตั้งดินทาสี่คนชักชวนในทางชิบหายมีลักษณะสี่ชักชวนดื่มน้ำเมาชักชวนเที่ยวกลางคืนชักชวนให้มัวเมาในการเล่นชักชวนเล่นการพนันมิดสี่จำพวกนี้ไม่ใช่แต่มิรเป็นแต่คนเทียมมิรไม่ควครคบเนั้นนั่น พระพุทธเจ้าองคไหนมาก็มาสอนอันเดียวกันไม่ได้อวดดีต่อกันนั่นะจะมาขี่นั่นล้านก็มาทีลยกยกเลยยกก่อมาสอนอันเดียวกันถ้ามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรมสมบัตินิพพานสมบัติด้วยนั่นะในระหว่างพรมีพระบรมศาสนาข้อสอน ด้วยยกย่องรับถือว่าเป็นภรรยาด้วยไม่ดูหมิน่นด้วยมาประพฤติร่วงใจด้วยมอบความเป็นใหญ่ให้ด้วยให้เครื่องแต่งตัวภรรยสาสมภรรยาได้รับบำรุงชนีดแล้วย่อมอนุเคราะห์สามีด้วยสถานะหนึ่งจัดการงานดีสองสงเคราะห์คนข้างเทียงของผัวดีสามไม่ประพฤติร่วมใจผัวสี่รักษาทรัพย์ที่ผัวหามาได้ไว้ข้อห้าทยานไม่เกี่ยคร้างในกิจการทั้งปวงนั่นนั่น เิลาในระหว่างเวลากับบุตรทึ้งพระบรมศาสดาก็อสอนหนึ่งห้ามกระทําความชั่วสองให้ตั้งอยู่ในความดีสามให้ศึกษาศิลปวิทยาสี่หาภรรยาและสามีที่สมควรให้ข้อห้ามอบทรัพย์ให้ในสมัยนั้นบุตรได้รับบำรุงชินี้แล้วย่อมอนุเคราะห์มานาเวลาด้วยสถานห้า 1. ท่านนีได้เรียงมาแล้วเรียงท่านตอสองทำจิตธรรของท่านสามดำลงวงตระกูลสีประพฤติตนให้เป็นคนควรรับทรัพย์มรดกข้อาเมื่อท่านล่วงรับไปแล้วทำมูลอุทิศให้ท่านนั่นักนักมีที่แสงที่ไหนบ่าวกับนายพระบรมศาสดาก็สอนสอนบา่าว ลุกขึ้นทําการงานก่อนนายเลิกการงานทีหลังนายถือเอาแต่ของเทนายให้ทําการงานให้ดีขึ้นนําคุณของนายไปสนเสริญในที่นั่นนั้นส่วนนายผู้นายช่้าจัดการงานทําให้ทําแต่พอดีพอแรงเขาจัดการงานให้ทําตามสมควรแก่กําลัง สองให้อาหารด้รางวันสามด้วยพยาบาลในเวลาเก็บไข้สี่ด้วยแจกของมีรถแปกประหลาให้กินห้าด้วยปล่อยในสมัยเที่ยงวันหรือวันศาสหรือวันทิศหรือวันเสาร<ๆ>์นั่นเพราะเราศา ส, าสานาสอนรวดไม่มีสอนโรคจึงสงระนาวาโลกรวิธูอนุตตโรปิษาธรรมาสารถติแต่พวกเราถือเป็นของเฟอว้าง ความคผอ น, ข, อนข้าวปลาข้าวมาม่วงด้านปัญญาก็สอนจนถึงปริญญาญาติปิญญากําหนดรู้ด้วยการรู้ตีน ะ, นะปริญญากําหนดรู้ด้วยการพิจารณามหาณปริญญากําหนดรู้ด้วยการละเสียนั่นปัญญาทางพุทธศาสนา มิตร ด, ดีสหายดีตอนไหนดีทําดีก็ส่งเสริมตอนไหนทําชั่วก็กีดกันมิตร ด, ดีสหายดีครูดีอาจาร์ดีพ่อดีแม่ดีญาติ ด, ดีเมตดีตอนไหนทําถูกก็ส่งเสริมตอนไหนไม่ถูกก็กีดกันลำเอียงมีอยู่ห้าอย่างลำเอียงเพราะความรักให้กันเรียกฉันทาคติ รำเอียงเพราะความไม่ชอบกันเรียกโทสาคติราเอียงเพราะเขาเรียกโมหะกติําเอียงเพราะกลัวเรียกพยาคติอคติสี่อย่างนี่ไม่ควรเอาพื้นเื้ออรรถบรศาสตร์เพวกเราถ้าจะเทิดทูนพระพุทธศาสนาก็กริงจะไปผิดคนอื่นของดีก็ต้องว่าของดีสินมันจึงไม่ลําเอียงของดีจะไปว่าของชั่วมันก็ไม่ถูกนะนะ ถ้าจะชมเชยพระพุทธศา ส, ส, สนาก็เกรงคนอำนาจวัาสนาคนอื่นเรียกว่าลำเอียงเพราะกลัวเรียกพยาคตินักนักคบพระพุทธศาสนาไม่แตกไม่รู้คนของพระพุทธศาสนาก็เรียกว่าลำเอียงเพราะเข่าเรียกโมหะคติลำเอียงเพราะรักไข่กันคือรักไข่อันอื่นไม่รักไข่พระพุทธศาสนาเรียกว่า ฉันตาคติถ้าจะพูดก็กลัวคนอื่นเรียกว่าโทสาคติเพราะพุทธศา ส, สนาไม่ทรงสรรเสริญทรัพย์ในใจโลกธาตุเป็นทรัพย์ของพระพุทธศา ส, สนาหมดในตัวเพราะท่านทิ้งแล้วเพราะท่านไม่เสียดายเพราะท่านเสวยพอแล้วท่านเสวยปัจจัยสี่จีววันมนบาทเจนาชนะ ได้เข้าสู่พระา槃แล้วก็ทิ้งมาแล้วบกว่าให้พวกอยู่ข้างหลังไม่ได้เป็นกังวลเลยนั่นนั่นสังหารจะมาทรัพย์สังหารจะมาทรัพย์วิญญาณก็ทรัพย์สัวิญญาณก็ทรัพย์ก็เป็นเมืองขึ้นพระพุทธศาสนาหมดโดยไม่รู้ตัวอันนี้ก็เขาเห็นแก่หน้าข้าซื้อพระพุทธศาสนากขามาทาไม่ใช่อำนาจอาณาสนาของใครนั่งอยู่เยวนี้ก็นั่งนั่งพระพุทธศาสนาก็าได้นั่งอาณาจักรของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ พูดอยู่เนี้ยนี่ก็ยืมคําพูดขององค์ท่านมาพูดนั่นนั่นนั่นนนจะฉลาดที่ไหนเราโง่จะตายนั่นไปขี่พระบรมาศาสดาก็บอกไปเยี่ยวพระบรมาศาสดาก็บอกไปถ่ายวิจาะถ่ายวัชระอย่าไปยืนเนอพระบรมาศราสดามันมันเหมือมันไม่เหมือนมนุษย์องนั่งลงเสียก่อนเข้าไปใน ตรงล่างให้สะอาดเนอะไม่ชําระอย่าให้ยาวเกินไปอย่าให้ยาวเกินสี่นิ้วอย่าให้ยาวเกินแปดนิ้วอย่าให้สั้นกว่าสี่นิ้วต้องทําให้กลมกระดาษที่มีตัวหนังสืออย่าเอาไปเช็ดเพราะมันบาปหนังสือชนิดชนหนังสือประเทศใดก็าตามสามารถจารึกคําสอนพระพุทธศาสนาได้หลวงปู่มั่นไม่ได้เอาไปเช็ดเลยไม่ได้เอาลงในกระถนเลย ครบบารีบุญแล้วจึงเราจรึงสวดมนต์ว่าสัตถังสรรพยัญชนงเจวระปริผลนางปริสุทธิ์ทางพรหมจริยังประกาเสสิบาริบุญแล้วทั้งอัตตะทั้งพยัญชนะเหตุฉะนั้นตามหังประคาวันตังอภิปูชยามิตามหังประคาวัน ต, ตังเสียรสาธรรมามิพวกเราจึงได้ยอมกราบไม่ได้กราบแบบโง่ๆตามหังทำมังตามหังสังขังกรรมงานกัน ยอมเป็นข้าเป็นทาสพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ท so ุกเมื่อจึงเปลี่ยนวทานว่าพุทธัสสหัตสมมธาโสวะพุทธัสสะหัตสเมธาสีวะของผู้หญิงธรรมัสสะหัตสเมธาชีวะธรรมัสสาหัตสเมธาโสสังคัสสาหัตสเมธาชีวะสังคัสสะหัตสมมธาโสวะขอเป็นข้าเป็นทาสพระพุทธรธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณเลยนั่นน่นนันน มาเทศนาแต่ละยุคและยุกพรอปู่รามาสัจจะก็ได้เพียงเขาโคเท่านั้นส่วนขนโคมันไปไหนก็มอบให้พระพุทธเจ้าองค์อนาคตไปในตัวแต่ทุกวันนี้ก็เท่าเขาโคเท่านั้นแหละผู้เลื่อมใสพรนะพุทธศาสนาขนโคมันไปไหนหมดก็มอบไหวตามกรรมและผลของกรรม พ่อตาสูงใจสูงทำสูงแล้วก็ถึงว่าพุทธพระธรรมผสมดิ่งลงไปเลยจนถอนไม่ออกมันดิ่งลงไปทางผิดมันก็ถอนไม่ออกดิ่งลงไปทางถูกมันก็ถอนไม่ออกเหตุฉะนั้นพร ะ, ะรบา ร, ารมีชั้นะสาทเาจึงว่าให้เป็นสันทิษทิโกให้เห็นเองเถิดให้มีอิสระเถิดถ้าเอาทรัพย์มาจ้างมันมันไม่เห็นมันก็ขบวดคืนใครจะช น, นะชนลังเอาทรัพย์มาจ้างมันเหตุฉะนั้นจึงปล่อยให้มีเสร็จเองนัก สันชิตเทโกรเห็นเองลงถึงบางโอเองลงถึงบางอาเองเหตุฉะนั้นพระพุทธศาสนาะจึงไม่เป็นพระพุทธศาสนาเจ้าพระพุทธศาสนาไม่ได้จ้าให้มีเสด็เห็นเองก่อนไม่ได้หลอกลวงแต่พวกที่งูเงาเต่าตุนก็ไปติดบิดติดแล้วที่นายผ่านป่วยรอไว้ ไก่แก่ตัวหนึ่งเที่ยวหาคุยเขี่ยหาอาหารไปพบพลอยเม็ดหนึ่งงามดีมีค่ามากก็พูดเปรยเปรยขึ้นว่าถ้าเจ้าของของเจ้ามาพบเจ้าเข้าเช่นนี้เขาจะเข็งเก็บเจ้าไปฝังไว้ในหัวเวนตามเดิมนี่เจ้าไม่มีประโยชน์อะไรสู้แต่เข้าสุกข้าวสารเม็ดเดียวก็ไม่ได้ว่าแล้วก็คุยเขี่ยไปในแปลงอื่นๆนักหนัก อไม่เท่ารัทธิของเราดอกคุยเสียไปสักไม่มีประโยชน์แก่เราสู้แต่สู้รัทธิอันนี้ของเราไม่ได้นั่นไปสักกบเปรียกนายเข้เหมือนกันทิ้งขอนไม้ใหญ่ลงไปเสียงดังสะท้านทําให้กบฝูงนั่นตื่นตกใจก็กล้าตัวหนึ่งไหวหน้ํามองมางอยขอนไม้ก็ดีใช่นานไปนานไปก็เบืยดขอนไม้แล้วไปขอร้องเทวดาอีกเทวดาก็เอานกกระสามากบเปรียกนาย อันนี้ก็อันเดียวกันคนทั้งหลายที่หึงพระพุทธศาสนาว่ารู้หลาเต็มทีม เ, นนะเออถ้าอย่างนั้นจะให้พระพุทธศาสนาไปนอนอยู่ที่ซ่วมอุชระหรือนะขังพระพุทธเจ้าเสาห้องเจ้าข้าตันทั้งแคงมืตัวยอดทอ่อ้าพีลาแก้วน้อยนิดมือตัวจะมัวนซ่ายังซำนิ่ไม้องให้สั่วาสาส น, นว พอาวุธเจ้าเอา้าผู้ใดสัง่งสร้างวัดสร้างวา่าถึง4ี่สิบหาปดไหนี่โบมีเนี่บอกคือขังพุทธการเด้น่าวิ่สาขาสร้างยี่สิบเก้าโกดยี่สิบเก้าโกดโกดหนึ่งมันมีสิบล้านยี่สิบเก้าเอาสิไปคูดดูดูกระเป๋าเดียวสิบเก้าเก้าสิบสิบหนึ่งเป็นสิบเป็นสิบเก้า ร้อยเก้าสิบล้านใช่ไหมกระเป๋าเดียวนั่นนั่นาณาถาเป็นทีเ่เกษตรทีสร้างกระเป๋าเดียวสี่สิบห้าโกดเอา1ิบไปคูณสี่สิบห้าดูดูสิบห้าห้าซิบซิบสี่สิบซิบเป็นสี่สิบห้านั่นกระเป๋าเดียวแต่พวกเราแผลๆขอๆแย่ๆอะไรๆกันจะตายนะเราจะไปประมาทข้างพุทธกาลหรือนั่น พัฒนาทั้งมัุนิยมพัฒนาทั้งอารมคติคือพัฒนาจนถึงพธธระโสดาบันนั่นนั่นพธธระโสดาบันไม่ยอมไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดศีลห้าไม่เสียดายอยากจะถือศาสตาอื่นไม่เสียดายอยากจะสาแก่ท่านผู้ใดเขามาทําผิดพธธระโสดาบันก็บอกว่าเออ ถ้าเคยได้ทำผิดมาแต่ชาติก่อนก็ให้เลากันไปซะเราโกรดอยู่แต่ไม่ถึงกระโูผกเวรอาคาตจองเวรถูกใจเก็บไม่มีในเรามึงเถอกูจะเอามึงแบบนั้นแบบนี้ไม่มีในเราพระโสดาวันถ้าเข้ามาก่อใหม่ก็ให้เร่ากันไปซะนึกอย่างนั้นไม่ไม่จองเวรใครพระโสดาวันอันนั่นแหละคือพระโสดาวันปิดอบายภูมิแล้วภูมิที่จะไปหยาบหยาสัตย์ที่ฉานเปิดอสุรกายนะกไม่มีตายวันไหนก็ไปมนุษย์ไม่อย่างนั้นก็สวรรค์ย่างชามาเกิดอีก เจ็ติอย่างกลางมาเกิดอีกสามสามชาย่างเร็วที่สุดก็มาเกิดอีกชาติเดียวพระซอดาบันของมารนาของพระบรมสารสนทนาาของเราเป็นพระสอดาบันเอกับพิคีจะได้มาเกิดอีกชาติเดียวคือจะเป็นมารดาของพระศรีญเมตไตาอีกพระปราถนาจะเป็นมารนาของพระพุทธเจ้า้าพระองค์เป็นมาแล้วตะกุสันโธโกนาธมโนกัจฉโปโคตะโมยังอริยะเมตตาอย เป็นมานาของพอระนิยมเมตตาโยแล้วก็จะเข้าสู่พระเนพานพร้อมพระอริยเมตตาโยจะได้ลงมาเกิดที่เมืองพาราณสีเมืองพาราณสีจะได้เป็นชื่อว่าเป็นเมืองกุตุมมาวดีจะได้ตัดสรู้ไม้กากะทิ่งนัน่คือไม้กระทุ่มเลือบ น, นัมีหมดตํานานของพระพุทธศาสนาไม่เก้อไม่เขินบพระโมคคัลาสาริบุตรปราถนาะเป็นสาวกเบื้องขวา เรื่องท้ายมาแต่ข้างพระพุทธเจ้าองค์ไหนพุทธศาสนาตอบไม่เก้เขินเลยมาแต่ข้างพระเจ้าอนโนมทัทศ์สีนั่นมีนิทานอีกด้วยพระอานนท์ก็เหมือนกั น, กนพระกัตถะก็เหมือนกันมาแต่นานเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราก็ปาฏิาริเป็นพระพุทธเจ้ามาแต่ข้างพระเจ้าปังกรทีปังการุชุตินทโร โกนันโยชนปาโมกโขมังฆโลบริสาสะโปสุมโนสโนทีโรเรวโตรติวัโนโ่อพีโตคคเนสัมปันโนอนโนมทัสสีชนุตตาโมพระทุโมโรกปัตโทโตนาระโธรสาระติพตมุตตโรสัตตะสาโรสุเมโธอัติพุโคสุชาโตสะโรกโขชื่อพระพุทธเจ้าทางนั้นที่ลงมาแล้ว ปีรัตตสีนราโทอัฏฐาธสีกาลุณิโกธมรมธสีตะโมนุโรสิทธัตโธอัตโมโลกติตตโสจะวัตตังโลกะพุทโสจัวัตโทโกกะวิปัสสีจานุปโมสิขีสภัยิโตสัทธาเวจพูุขคธาโกตะกุสันโโสัตตะวาโหอเนกาสะตะโกตะโยพระพุทธเจ้ามากกว่ารอยโกฏนั่นถึงจะมาเป็นุคนยุก็มากกว่ารอยโกฏอีกเชด้วย แต่กับก็อสองไข่อสองไข่กับเสียแลว้วนั้นพระพุทธเจ้าจะกี่พระองค์สาวกสาวิกาของท่านจะกี่พระองค์ที่สืบโลกมาเป็นยุกเป็นยุกเป็นยุกเป็นยุ ก, ย, กยุกมาเนี่ยรับที่อื่นจะเบียดเบียนพระพุทธศาสนามันเท่าเท่ากับว่าบ้วนน้ำลายขึ้นฟ้ากองทับน้ำลายบ้วนขึ้นฟ้าตกใส่หน้าเจ้าของเอง ถ้ากับเอ า, มาเมล็ดพันธุ์ประกาศไปคว้าใส่ภูเขาเิเนโนราหรือภูเขาเหิมาะไยใครจะตัดสินถูกหรือไม่ถูกก็ไม่เป็นปัญหากรรมและผลของกรรมยังจะต่รตามทันอยู่นั่นกรรมและผลของกรรมพระพุทธศาสนาเอามาแล้วนั่นนันมายืนยันแล้วผู้เชื่อกรรมและเชื่อผลของกรรมก็คือผู้ถือพระพุทธศาสนาเรานี่เองนัน ก็คือผู้ถึงพระพุทธรมประสงค์เองผู้ไม่เชืกำและผลของกรรมก็คือผู้ไม่ถึงใจสนะคมนั่นเองนั่นนั่นพอชั่วโมงแล้วหรือยังอเอาแล้วเรยอยังอ๋เอาล้รยังฮะสักเทศมาเนี่เดี๋ยวเดี๋ยวที่นี่ เบื่อหัวหงิดอะไรยังอ่าเบื่อออกไปไหนก่อนน่ะเบื่อออกไป4ีห้าคนเนี่ยเบื่อภาวนาพุทธโธพร้อมกำลมหายใจเข้าออกธรรมโมสังโคก็อยู่ด้วยกันที่จะย่นกรรมฐานลงเนอะ ผู้บา ร, ร, รมีคำพุทธโธพุธโทโธอยู่ที่ดวงใจยธรรมโมก็พุโทโธแปลผู้สอนให้ระบาบําเพ็ญบุญธรรมโมทรงไว้ซึ่งระบาบําเพ็ญบุญสังโฆปฏิจจบัติเพื่อระบาดบำเพ็ญบุญพุโทโธพุทธโธอยู่ที่ใจธรรมโมก็สรงอยู่ที่นั่นสังโฆเขปฏิจจบัติอยู่ในตัวฉันทะพอใจรักใคร่ในกรรมฐานที่ตั้งไว้ วิทยาเพียรมาประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้จิตะเอาใจฟักไฟในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิมังสามันติดต่อพิจารณาเหตุผลในกรรมฐานที่ต nice ั้งไว้คุณสียางนี้มีบริบูรณ์แล้วอาจชักนําบุคคลให้ถึงสิ่งที่ต้องประสงค์ซึ่งไม่เหลือวิสัยรัทธาความเชื่อในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิทยะเพียงมาประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้สติรับผิชอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้สมาธิตั้งมั่นในกรรมฐานที่ตั้งไว้ ปัญญารอบรู้ในกรรมฐานที่ตั้งไว้อินเซียห้าก็เรียกเพราะเป็นใหญ่ในจิตของตนถ้าอาตมาภาวนาอาตมาไม่ไดเอามากเร้่อเอาอันเดียวเท่านั้นถ้าอธิบายให้ท่านผู้อื่นฟัง ม, มันคอ ม, มา่าขอพระโอหานโอหานก็หาลงถึงใจหาลงถึงหนึ่งหนึ่งพระโสดาบันปัจจุบันของพระโสดาบันเป็นปัจจุบัน ที่ไม่สงสัยในพุทธศาสนาปัจจุบันของพระสกทาคามีเป็นปัจจุบันที่ละเอียดไปกว่านั้นปัจจุบันของพระอนาคามีก็ละเอียดไปกว่านั้นปัจจุบันของพระอนาคามีไม่มีราคะไม่มีโทสะปัจจุบันของพระอรหันต์พ้นไปจากราคะโทสะโมหะแล้วรู้ราวปัจจุบันแล้วเห็นทุกขณะจิตเดียวก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วนี่ด้านปัญญาพราะองคตจไม่ได้กองทุกข ด้านปัญญาก็คือศีลสมาธิปัญญารวมกันอยู่ที่นี้ศีล ส, สมาธิปัญญาจะแยกกันออกไม่ได้เมื่อศีลสูงสมาธิก็สูงปัญญาก็สูงเมื่อศีลอยู่ขนาดกลางปัญญาก็อยู่ขนาดกลางสมาธิก็อยู่ขนาะกลางศีลพระสวัาดันมีศีลจักระทาคาม ع, ีศีลพระอนาคามี ศีลสมาธิปัญญาของพระสุวรรบาลศีลสมาธิปัญญาของจักรทาคามีศีลสมาอภิปัญญาของปานาคามิศีลสมาธิปัญญาของพระอนาคามีศีลสมาธิปัญญาของพระพุทธเจ้าต่างคนข้อต่างอ้างปัจจุบันแต่ปัจจุบันมียิ่งยอดกว่ากันตามฐานอันดอนศักดิ์ของปัญญาและกําลังธรรมะของท่านนั่นจะไปตีเสมอตันก็ไม่ได้นั่นศาสนาทุกศาสนาก็ดีอยู่ แ่ว่าอันไหนมันดีกว่ากันเราก็ต้องเอาอันนั้นสิถ้าถ้าปัญญาเราถึงผ้าที่เรานุ่งถือก็เหมือนกันะกันกางเกงก็เหมือนกั น, ก น, ก น, ก น, กนถ้าเรามีเงินมากอันไหนมันดีเราก็ต้องซื้อเ อ, นนอันนั้นสิอันไม่ดีเราก็ไม่เอาฉันใดตัวดีผู้มีปัญญามากก็ถึงพระพุทธศาสนาสินั่นถูกไหมถ้าพระพุทจสูงมาซื้อผ้าคีริ้วเขาก็ไม่เอา ถูกไหมไม่ได้พูดทับถมท่านอะไรพูดตามมันจริงเห็นอันนี้จังคณะหนึ่งก็เห็นลุกรอบหนึ่งแล้วไม่จำเป็นจะห้องเหินเดินอากาศไปดูถ้าภาวนาดีก็ต้องเห็นเทบอดเทวราเห็นสวรรค์สิเออเขาเห็นแล้วคณะที่เดียวเขาก็เห็นแล้วชัดโลกโลกคือมูสัตว์โอกาสโลกโลกคือแผ่นดินมันโลกโลกโลกแรกแ่เราที่อาศัยอยู่นี่ ถ้าพระโลกทั้งปวงเต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาเขายินดีในพระนิพพานสิ่งเดียวแล้วเขาเห็นผ่านไปแล้วนั่นเขาเห็นน่ะํากว่าพระนิพพานลงมามันเป็นทุกข์พุทธิบาลรมีสูงเขาก็ดิ่งถึงพระนิพพานพุทธิบารมีต่ําก็จําเป็นติดอยู่ในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรมสมบัติแต่มนุษย์สมบัติก็ยังเลือกไม่ถูกอีกชคด้วยอนิจจาเอ๋ยนั่นยังไปเล่นเล่หเล่นพาอยู่เพราะอยากได้อยากเสียไม่รู้ อเอาทางรัดหรืมันเสียทางรัดไม่ไม่รู้นั่นมันเสียทางรัดอ้าธนาคารอบายยมุกมีอยู่ที่ไหนไม่ไม่ธนาคารไม่อยู่ธระคารอยู่อืมีเงินมาพอจะใช่ไม่ใช่ไม่เรียบเอาไปส่งงวดเขาเดี๋ยวพลาดไปอีกพลาดไประอกก็เกาหัวไงนั่นนั่นไฟไหมอบายยมุกมัน ไม่ทั้งไล่ทั้งนาทั้งสวนไฟไม่บ้านไม่เรือนมันไม่แต่ท้าผ่อนท่อนสบายที่ดินมันยังอยู่ไฟไม่บ้านไม่เรือนมันไฟไม่อบาอยุมันไม่มดสายสอยสา ย, ยตาอะไรอยู่ที่แขนอยู่อะไรอะไมันไม่ไปมดเ <c oughs> นื้อตัวไหนมันก็เด่นมดเด่นทางคิ้หายเนี่ยก็ไม่ว่าแต่เท่านั้นละ่ะ อมึงมึงถูกบาทหนึง่งกูจะให้เต็มแป่นคาแผ่นดินก็นองเลือกกันในวันนี้นั่นพระทานตะพอฝ่ายหนึ่งไม่มเอายกุราหอนพระบรมสาสีร์โมกคลาเอ๋ยพระบุตรเอ๋ยมหาคตปะเอ๋ยโมกคลาเอ๋ยโกนธันะว่าปะพัชยะมหานามะเอ๋ยวันนี้พวกเรา เล่นอาบายยมุเอากีวอเอาบาทเอาบริขารกันเถอะทางหนึ่งก็มาได้ไปบินทบาทละ <c oughs> นั่นของมันจะไปอยู่กับอีกทางหนึ่งเหตุนั้นพระพรมศาศรีดาจึงเขารบธรรมถ้าทาไม่มีอยู่ก่อนพระองค์ก็ไม่เขารบธรรมทำามมีอยก่อนพระองค์จึงเขารบธรรมพระองค์ไม่สำคัญตัวว่าอยู่เหนือธรรมเป็นผู้จาแนกธรรมก็ไม่สาคัญตัวว่าอยู่เหนือธรรม เหตุกานั้นจึงเคารพทำสัตทัมโมคารุปาตโวทำเมย์อยู่ทรงโนพระพุทธเจ้าองค์ไหนไหน<ๆ>ก็มาเอาทำอันเก่ามาเอากฎอันเก่านั่นเองกฎเกณฑ์ปกครองโลกทำคำสอนพระพุทธเจ้าปกครองโลกพออยู่แล้วเอา้าเพียงสีบห้าก็เอาเถอะเอา้ า, าอ้าอับอายมุกย่าทําป็นโล ก, กบาลคุ้มครองโลกสองอย่างความร้ายต่อบาปความกลัวต่อบ า, ค า, คบอบาปคุ้มครองโลกได้นี่สองขอ้อ ทีเนี่ออกจากถ้ามันไปนล่วงละเมิดสินห้ามันก็คือล่วงไปจากสองข้อนี่ใช่ไหมนั่นพราอเราไมมีอย่างอาตวาวะไม่มีความกลัวตวาวะมันล่วงไปจากสองข้อเนี่อา้าถ้าต้อนสองข้อนี้ต้อนไม่อยู่สินห้าเขต้องต้อนอยู่ที่นี่ถ้ามีสินห้าบริวูนในใจโลกระท่านตำรวจจะมีไหวทไาไหมทหารจะมีไหวทาไหมกุญแจจะมีไหวทาไหม ยามเวนจะมีไว้ทําไมขายของจะต้องเฝ้าทําไมสาราอาวุธก็ไม่มีทหารก็ไม่มีตำรวจก็ไม่มีนอนก็ไม่สะดุงผวาเพราะไม่มีเวนอยู่รอบข้างนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นเพียงพระนัานก็เอาเถอะถ้าโลกไม่มีศีลห้าบริบูรณ์แล้วไม่ต้องไปเรียนให้ตั้งหมื่นตั้งแสนมาตราดอกอืมทีนี้กฎหมายที่เกี่ยวกับภาษีก็ตั้งซะอย่าตั้ ง, งนั่น เพราะกฎหมายที่เกี่ยวกับภาษีทา้งพธิธการมีอยู่้าวสแสวงหาพวกกระทับได้มาโดยทางที่ชอบแล้วเรื่องตัวมาดาบิดดาบุตรภรรยาบา่าวไพร่ให้เป็นสุขเรื่องเพื่อนฝูงให้เป็นสุขบำบัดอันตรายที่เกิดเหตุต่างๆคือกอยาทิพีสงเคราะห์ญาติขอทิทพีต้อนรับแขก คอปุกวัปเปตพีธรรมุญอุทิศให้ผู้ตายราชพีถวายเป็นหลวงมีเสียข่าอากรเป็นต้นเทวตาพีธรรมุนอุทิศให้เทวดาเทวราคืออะไรเทวดาเทพสมมุติเทพเทวดาโดยสมมุติอุปัติเทพเทวดาโดยกําเนิดมิดามดาปุญยะตายายเรียกว่าสมมติเทพตลอดถึงพระมหากษัตริย์น่ะหรือครูบาอาจารย์อุปัติเทพคือเทพโดยกําเนิด คือเทวุทเทวราอวิสุทธิเทพคือพระรหัสนเทพสามในพร ะ, ษษะพุทธศาสนาบรรดาเทพสามเอ้าพูดธรรมชั้นสูงใช่ไหมนี่พูดธรรมชั้นต้นกับชั้นกลางพูดธรรมชั้นสูงใช่ไหมได้ในใ น, ในกรกล้วนอันเน็จจังได้ในใ น, ในกรกล้วนทุกขัง ได้ในโลกโลดอนัตตาอย่าสงสัยเลยนะทั้งอดีต ท, ทั้งอนาคต ท, ทั้งปัจจุบันเกิดขึ้นอยู่หาระหว่างไม่ได้แปรอยู่หาระหว่างไม่ได้ดับไปอยู่หาระหว่างไม่ได้คำพูดเราพูดกันอยู่เดี๋ยวนี้ก็เอา อ, อนิจจังนั่นเองมาพูดพอนึกขึ้นแล้วก็พูดพูดก็ล่วงไปเป็นคำคเป็นคำคคือ อ, อนิจจังในวจีจิตก็นึกขึ้นก่อนเมื่อจิตขึ้นแล้วพูดจิตก็เอาเป็นอดีตไปแล้วพอเนอนึกขึ้นแล้วพูดก็เป็นอดีตไปแล้ว พูดออกไปก็เป็นอดีตไปซึ่งหน้าสังขารใดเกิดขึ้นในอดีตสังขาร น, นั้นจะดับในอดีตสังขารใดเกิดขึ้นในอนาคตสังขาร น, นั้นจะดับในอนาคตเธอทั้งหลายจงรู้ตามเป็นจริงเถิดพระบรมศาตดาธรรมานสูงอ น, นี้อดีตคืออะไรคือแก่เก็บตายเคล่ล่วงไปแล้วอนาคตแก่เก็บตายที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันแก่เก็บตายที่กําลังเป็นอยู่เทียบในชั้นแก่ท่านกเก็บช่านตาย อดีตคืออะไรคือดินหน้าฝ่ายลมชิดล่องไปแล้วอนาคตดินหน้าฝ่ายลมยังไม่มาถึงปัจจุบันดินหน้าฝ่ายลมที่กําลังเป็นอยู่ออดีตคืออะไรอันนี้จังทุกขรังอนัตตาที่ล่วงไปแล้วอนาคตคืออันนีจังทุกขังอนัตตาที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคืออันิีจังทุกขังอนัตตาที่กําลังเป็นอยู่ออดีตคืออะไรคือผู้ลู่ที่ล่วงไปแล้วอนาคตคือผู้ลู่ที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือผู้ลู่ที่กําลังเป็นอยู่นั่นทำยันสูงเนี่ยอื เรามีปัญหาสอดเข้ามาว่าความสุขในโลกมีไม่ถ้าความสุขสุขในโลกมีอยู่ก็มีปัญหาอกีกก็มีที่แสงอกีกความสุขในโลกไม่มีเลยความสุขของคณหัสก็มีอยู่สุขเกิดแต่ความมีทรัพย์สุขเกิดแต่จ่ายทรัพย์ บ, บริโภคสุขเกิดแต่ความไม่เป็นหนี้เป็นสิน ทุกเกิดแต่ทำงานที่ปาฏิจารโทษถึงอย่างนั้นก็อยู่ใต้อำนาจอันจังเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนและดับไปสิ่งไหนที่เกิดขึ้นได้แปรปรวนและดับไปสิ่งนั้นแหละคือทุกสิ่งใดไม่ที่อยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกสิพระ บ, บรมศ า, ษ า, ษาสดาสัพสังขารในใจโลกธาตุรวมลงมาในสังขารโลก สังขาราปรมาทุกขาสังขารเป็นทุกขอย่างยิ่งอันนี้จังเป็นทุกข์อย่างยิ่งทุกเป็นทุกขอย่างยิ่งสิ่งที่มีวิญญาณและไม่มีวิญญาณเป็นทุกขอย่างยิ่งบางท่านก็พิจารณาทุกอยู่ความกำลังลมหายใจเข้าออกบางท่านก็พิจารณาอันนี้จังอยู่ก็ทุกลมหายใจเข้าออกบางท่านก็พิจารณาอยู่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราพ่อมกำลังลมหายใจเข้าออกเพราะท่านเราอันนั้นได้พระ涅槃แล้ว ก็ามาพูดของท่านเรแล้วเพราะสร้างบารมีแก่ก้ามาแล้วอา้าวมีคำถามขึ้นว่าถ้าหากว่าในโลกนี้มันมีสุขอยู่เท่าเมล็ดงาแล้วพระทหัรก็ไม่มีประตูจะเบื่อหนโลกก็ต้องวิญญาณมาติสติก็ต้องไปติดอยู่ในทนี่นั้นเหตุใดโลกไม่มีไม่ไม่มีสุขเสียแล้ว รุดทีตีติแปลว่าผู้ย่อยยับไปพประพรมศาสตร์ ส, สอนทมท่้นสูงนั่นนั่นนั่นพระรหารทั้งหลายหาความสุขในโลกเองกว่าพวกเรานี่หาประมาณไม่ได้มันไม่เจอมันไม่เจอมันไม่พบซะเหตุฉะนั้นท่านจึงเบื่อหน่ายความหลงของตนข้ามทะเลหลงของตนไปซะชั่วรัตนิ้วมือเรียน น้ำท่านตักมาใส่ไห้ไว้ใส่เต็มตุ่มเต็มไห้เวตอนส่ำช่ายก็เอาเข้าใส่ครุเดียวมันก็เต็มนะเพราะตักมานานแล้วพระพุทธศาสนายังอยู่ยั่งยืนยงเราก็เหมือนอยู่คงเีิด้วยพระพุทธศาสนาพี่นาฏลงชาวพุทธจะอยู่ได้หรือเราก็เหมือนหมดหมุ้สุดสิ้นสกูลพุทธใครรานใครรกร้าวชาวพุทธ ผลของกรรมอันไม่บริสุทธิ์จะตามถึงอยู่ตลอดกาลนาพระพุทธศาสนาไม่มีแล้วใช่กฎหมายใดๆก็ตั้งไม่อยู่อู๋ของธรรมไม่นำคำหนึ่งก็หมดที่พึ่งพิงอิงอาศัยทำความชั่วในที่แ้งไม่ได้ก็ไปทำในที่รับผลของกรรมนั้นแหละจะตามเธอไปอยู่ทุกวินาทีเธอจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ไม่เป็นปัญหา ไม่ว่าแต่เธอมนุษย์แหละมดดำมดแดงมันไม่รู้จักบาปบุญคณโทษมันกัดกันตายมันก็เกิดมากัดกันตายอีกกบกับเขียดก็เป็นเวรกันยูยอย่างนั้นชาตินี้กูกินมึงชาติหน้ามึงกินกูเสือกับปวก็เหมือนกันผลของกรรมผู้ที่ปฏิเสธแล้ไม่มีบาปไม่มีบุญก็ตามบาปบุญก็ตามเขาไปอยู่นั่นนนัน น, น, น จะบัญญัติบาปบุญคุณโทษถูกก็มีแต่พระพุทธศาสนาเท่านั้นนอกนั่นบัญญัติเข้าในกิเอ ข, ของตัวทีนี้ก็มีท่านเพื่อวมาถามวันนี้แต่เป็นคนฉลาดไม่ใช่คนโง่ผู้เขากินเกไปตลอดชีวิตเขา จะสามารถเป็นพรลรหารได้ไหมทีนี้เราก็ตอบว่าโคามันก็กินแต่หญ้ า, าจนวันตายมันจะเป็นพลทหัา์ไหมเสือมันก็กินแต่เนื้อจนวันตายมันเป็นพลทหารไหมเออเอาละครับผ ม, มรู้แล้วเขาไม่ใช่คนโง่ ไม่สงสัยว่าพุทธศาสนาเลยทำไมจะไม่สงสัยเพราะหมดความสงสัยแล้วมัวสงสัยอยู่มันก็จะสายมันก็จะบ่ายมันก็จะค่ำค่ำคือตายไปเปล่าเสียประโยชน์อันจะพึงได้พึงถึงนั่นทีนี้ เวลาอะไรอะไนี่นึกชั่วโมงคนเดวหรืออะไนะสี่แล้วนี่แมนบเออสแล้วสนี่ใครสงสัยอะไรเรียบถามใช่เดี๋ยวจะเสียดายภายหลังได้มาแล้วได้มาแล้วให้มันคุม้มได้มาแล้วให้มันคุม้มให้มันคุ้มเวลาบ้าง ได้มาแล้วมันคุ้มเวลาด้วยให้คุ้มน้ามันด้วยใหเออเดี๋ยวจะบ่นว่าไม่คุ้มน้ามันไม่คุ้มเวล า, วลาฮะมนาสังโยนดสังโยอดเป็นเครื่องผูกใจสัตว์ให้อยู่สังโยอดของพระโสดาบันละสังโยอดได้สามสกายะทิฐิความเห็นเป็นเหตุ ถือตนถือตัวท่านก็ไม่ถือตนถือตัวซะศีลพัตตราม a า a ท่านก็ไม่รูกคำในความวัดปฏิบัติของท่านซะอัตตาทุปาทานท่านก็ไม่ถือตัวจนเกินไปมีผู้น้อยมาพูดทรนมให้ฟังถ้ามีเหตุผลท่านก็ฟังไม่เสือมึงผู้น้อยกว่ากูกูไม่ยอมไม่ไมว่าเพราะมานะทิฏฐิส่วนนั้นหายไปแล้วกามาราะปฏิฆะพระ อาณาคาเมยละแล้วพระพระสักทาคาเมละได้แล้วพระสักาคาาพระอนณาคาเมยละพระพระสักคาคาเมย์นั่นละสังโยชน์เครื่องผูกใจสัตว์ให้เป็นกิเลสได้เหมือนพระสวสดาบาลแต่ว่าเป็นขั้นที่หนึ่งของพระสวสดาบาลพระสักคาคาเมย์ยกกระหนันขั้นชอบสอบดัชตมตรี พระจักทาคามีสอบได้ชั้นที่หนึ่งพระสสดาวันเฉ ส, สอบได้ชั้นที่สองแต่ว่าชั้นเดียวกันส่วนพระอนาคาเม้นั่นท่านละสังโยชน์ได้ห้าข้อกามราคะปฏิฆะส่วนพระอาหารหันต์ท่านละได้สิยังเหลือแต่มานะมานะเก้าของพระอาหารหันต์ยังพระนามานะเก้าของพระอนาคามียังละไม่ได้ มณฑถือตัวจากราคะกับโทสะขาดไปแล้วพระสดาวันมีโกรธอยู่แต่ไม่ถึงกับผูกเวรพระจักาทามีก็เหมือนกันชวนพระอนาคามีหายแล้วโกรธไม่เสียดายเลยไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดโกรธไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดหลงพระทิ้งแล้วเหมือนน้ำลายบ้วนทิ้งแล้วไม่เสียดายอยากเอาคืนมากินอีกไม่ยากไม่นําตาแต่ว่าเล็ของท่านมีอยู่ ท่านยังละมานะเก้าอีกเชียก่อนและอเวชารูปราคะความจิตในู่กประธรรมเช่นชอบใจในสุขเวทนาอารูปราคะอุทธจัความคิดพลาดเช่นนึกอะไรก็เกินเกินเกินกว่าเหตุอววชาอันเป็นความเขาเป็นเหตุไม่รู้จริงอววชาร์มันมีสี ไม่รู้ในทุ ก, ไ ม, ทกม ไ, ทไม่รู้ในทุกขสมภีรทยไม่รู้ในทุกคณิโรดไม่รู้ในทุกคนิโรตคาเมเนปฏิปทาไม่รู้อดีตไม่รู้อานาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอานาคตไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทที่มันเกี่ยวกันเป็นสายโซ่ผูกคออยู่พระอนาคามีนั้นเป็นผู้เลิศกว่าเขาสําคัญตัวว่าเลิศกว่าเขาอยู่ เป็นผู้เลิศกว่าเขาสำคัญตัวว่าเสมอเขาอยู่เป็นผู้เลิศกว่าเขาสำคัญตัวว่าเร็วกว่าเขาเป็นผู้เสมอเขาสำคัญตัวว่าเลิศกว่าเขาเป็นผู้เสมอเขาสำคัญตัวว่าเสมอเขาคัญตัวว่าเสมอเขาเป็นผู้เสมอเขาสำคัญตัวว่าเร็วกว่าเขายังมีอยู่พระอนาคามีเป็นผู้เร็วกว่าเขาสำคัญตัวเลิศกว่าเขาเป็นผู้เร็วกว่าเขาสำคัญตัวว่าเสมอเขาเป็นผู้เร็วกว่าเขาสำคัญตัวว่าเร็วกว่าเขา่พระอนาคามี ส่วนพระรหันลละได้แล้วพระรหัลไม่ติดอยู่ในอดีตอนาคตปัจจุบันอันใดเลยนั่นเรารู้อดีตตามเป็นจริงของอดีตเรารู้อนาคตตามเป็นจริงของอนาคตเรารู้ปัจจุบันตามเป็นจริงของปัจจุบันแต่เราไม่ติดอยู่ในเงื่อนทางสามนั้นพระบรมสารราเรารู้สมมุติตามเป็นจริงของสมมุติเรารู้เวมุตตามเป็นจริงของเวมุติเราไม่ติดอยู่ในสมมุติเวมุติเพราะ ถ้าเราติดอนสมมติเราสมุติแล้วกว็เรียกว่าเราไม่รู้สมมุติและไม่รู้มิมุติเหตุฉะนั้นกามุปาทานถือมันในกาศีรพตุตปาทานถือมันในสินพรออตวาทุปาทานทั้งสี่จึงไม่มีในเราวิญญาณติสันทิสถวนที่ของเราไม่มีในที่ใดๆทั้งสิน้นเพราะเราไม่สำคัญตัวอยู่ในที่ใดๆเลย เมื่อเราไม่สำคัญตัวอยู่ในที่ใดๆเลยแล้ววิญญาณปฏิสนธิของเราก็ไม่มีก็เป็นแต่สักว่ารู้ว่าเห็นแล้วก็ล่วงไปเฉยๆไม่มีพิษมีสงฆ์ภาลาังหนักหนักๆนักเหตุฉะนั้นท่านจึงมุญัดว่ารูปจิตเจตสิกนิพพานนิพพานไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่นิพพาน ถ้าจิตทำถูกก็เป็นทางเดินเข้าสู่พระนิ涅槃ถ้าจิตทำถูกก็สิทจิ ต, จตก็รวมสียงสมาธิปัญญาเข้าไปเป็นกําลังของเจ้าตัวเป็นเชือกสามเกลียวนะเดินไปสู่เพื่อเข้าสู่พระนพาเททนั้นท่านจึงบัดว่ารูปจิตเจตสิก นิพพานรูปคืออะไรคือดินน้ำไฟลมมาชุมกันเป็นกายเรียกว่ารูปเกตสิท์คือนึกไปในทางดีทางชั่วทางกลางทางอายาดนิพพานคือพ้อนจากเกเดตไปแล้วเกตสิท์ความนึกคิดไปทางดีก็บุญไปทางชั่วก็บาปไปทา ง, างกลางก็ว่าอัพยญาติ ถ้าทำถูกก็รวมศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องเดินไปสู่พระนิพพานถ้าทำผิดก็ลงนรกจิตมีคุณเป็นมหัน์มีโทษเป็นอนันต์เหมือนกันนั้นถึงกับค่ากายตายไปผูกคอนั้นถ้าทำผิดทำดีก็มาบวกที่จิตทำชั่วก็มาบวกที่จิตบุญบวกบุญภูมิขึ้นจนสูงบาปก็ละพอแล้วบุญก็สร้างพอแล้วก็เข้าสู่พระนิพพานพระอรหันต์นั่น พระทหารไม่ติดอยู่ในใด ๆ, ๆทั้งสิ้นมีเฉือนน้ำไม่มีรอยฉันใดจิตใจของพระทหารก็อย่างนั้นนกบินในอากาศจะถ่ายเทปเอารอยก็ไม่ได้เห็นแต่ตัวของมันนักยาเสพติดไม่มีในพระทหารยืนเดินนั่งนอนลับตื่นนึกคิดไม่มีในท่านเป็นแต่สักว่นนึกเป็นแต่สักว่าคิดเป็นเรื่อง ส, องสังขาร หลวงปู่มั่นฉันอาหารอยู่ยกว่านหลวงผือมีโยมคนหนึ่งมาถามท่านหลวงพ่อหลวงพ่ออะไรกินข้าวสังขาและกองทุกกินข้าวมันไม่ได้กินด้วยพระนิพพานก็ไม่ได้กินด้วยท่านพูดตอบเขาเด้งเลยคืนคำข้าวเลยคืนคำข้าวแล้วท่านก็ตอบเขาเมื่อสันเมื่อคำข้าวยังมีอยู่ในปากเราจะไม่พูดถ้ากอกคืนตคำข้าวเลยตอบเขาเลย แม่ขาวคนนั้นเก่งเหลือเกินชื่อว่าแม่ขาวอยู่บ้านนองผือเน่ยสามารถถามหลวงปู่มั่นได้เพ่งเลยคนอื่นไม่กล้าถามหลอกถามไม่ถูกการท่านกระดุอันนั้นไม่ถูกการแกก็ถามเลยเพราะแกนานๆยังจะมาขั้งหนึ่งแกเข้าไปวัดจะก็าถามเิื่อแกหิวถามบางท่านบอกว่ายาเสพติดเออยาเสพติดมันก็มีในโรค ตากับโลกก็เป็นยาเสพติดหูกับเสียงก็เป็นยาเสพติดกลิ่นกับจมูกก็เป็นยาเสพติดรถกับลิ้นก็เป็นยาเสพติดถ้ามันยังไม่พ้นจากเกล็ถ้ายังไม่รู้เท่าความร้งของตนะเป็นญาเสพติดทั้งนั้นยืนเดินนั่งนอนรับตื่นนึกคิดเป็นยาเสพติดทั้งนั้นส่วนพระทหารแล้วไม่แหละ พอเห็นสังขารตามไปจริงของสังขารเห็นพระนิพพานตามไปจริงของพระนิพพานแล้วเห็นสมุดตามไปจริงของสมุดแล้วไม่ได้เอาสมุดกับรสมุดไปเป็นสงครามกันพระอหันต์เม่ได้เอาอัตตากับอนัตตาไปเป็นสงครามกันไม่เอาอดีตอนาคตปัจจุบันไปเป็นสงครามกันผู้ที่เอาอดีตอนาคตปัจจุบันไปเป็นสงครามกันกับเอาสังขารและกองทุกไปเป็นสงครามกันก็คือผู้ไม่รู้เท่านั้นเองนั่นนั่นเมื่อรู้เท่าแล้ว ไม่ก็ต้องทำท่าทำทางให้มันว่าที่บัญญัติว่าปล่อยวางเพื่อให้เป็นบุคลาธิศฐานไอ้ทีแท้ถ้ารู้ตามจริงแนละ้วมันไม่ได้ปล่อยวางมันปล่อยวางมันเองเช่นเรารับตาอยู่อย่างนี้เวลาเราลืมตาขึ้นมันปล่อยมืดเองมันเราไม่ทาท่าทำทางปล่อยถูกไหมนั่น พระนิพพานคือดับเพลินทั้งปวงในโลกสงสารพระนิพพานไม่ได้สำคัญตัวอยู่ในที่ใดๆเลยถ้าสำคัญตัวเป็นนั่นเป็นนี่มันไม่ใช่พระนิพาน พ, นพานพระนิพพานมันอยู่เหนือผู้รู้ไปพระนิพพานไม่ใช่ผู้รู้เหนือผู้รู้ไปจึงเป็นพระนิพพานไม่มีที่หมายแช่แล้วส่วนยตะตวิโมกอันนี้ไม่ตวิโมกเอามาอับปนญหาตวิโมกข์ไม่โมกคือว่าทัศนยทัศนนุสระความเห็นเยี่ยม ปฏิปทาโนตตรยะยัความปฏิบัติเยี่ยมวิมุตตานุตตรยะยัความพ้นเยี่ยมเห็นเยี่ยมจากเพียงใดจากเพียงไหนก็าตามถ้าปฏิบัติไม่เยี่ยมมันก็พ้นไม่เยี่ยมนั่นะนะันะอุปศักดเป็นญาวิเศษเป็นเหตุให้เบื่อหน่ายโลก คือเบื่อหนายความหลงของตนนั่นเองถ้าเราไปเบื่อหนายโลกจะเอาปจออไปขุดมันหรือก็เบื่อหนายความหลงของตนนั่นเองข้ามทะเลหลงก็คือข้ามทะเลข้ามโลกก็คือข้ามทะเลหลงของเรานั่นเองจะข้ามด้วยเครื่องบินจะกี่ล้านล้านมันตัวข้ามไม่ได้นั่นนั่นนั่นที่ไหนนั่นที่ใจของตนเองนะผู้ฟังข้ามความหลงก็คือข้ามโลกนันเองก็คือข้ามความหลงของเจ้าตัวนั่นเอง ความหลงมีอยู่สี่อย่างของไม่เที่ยงหลงว่าเป็นของเที่ยงของเป็นทุกข์หลงว่าเป็นของทุกขของไม่ใช่ตัวใช่ตนหลงว่าเป็นของตัวของตนของไม่สวยไม่งามถือว่าของสวยของงามคือหนังง้มอยู่โดยรอบนั่นนๆๆนนัถูกไหมฮะทูก <c oughs> <c oughs> ด, ดง่งๆ โอ้ก็แกโยงทางปฏิบัติกับท่านเพราะได้เคยได้อยู่กับท่านก็ไม่ทราบนะเพราะไม่ได้ปรารถนาเตวิโชชระเป็นโยปฏิสัมพิทัปโตปรารถนาสุขวิปัตโกเพราะสร้างบารมีสุขวิปัตโกไม่ได้สร้างบารมีเตวิโชชระเป็นโยปฏิสัมพิทัปโต เดี๋ยวเดี๋ยวเียเราหาแนบไม่เห็นแนบหาไปหามาหาอยู่หาอะไรหาอะไรหาอะไรหาแนบครับหามานานแล้วหมอนเราก็หาอยู่หลายครั้งแล้วแนบของเธออยู่ที่หมอนระหาที่หมอนก็เห็นอีกทีนี้แล้วก็หาแล้วยระเราหาปัญหาเล้วยไม่เห็น ทำไมเป็นอย่างนั้นนะก็นักอธิการท่านอยู่หลายอย่างแต่ท่านไม่ได้ยืนยันว่าท่านเป็นพระละหันท่านก็ไม่ได้ยืนยันว่าท่านเป็นพุทธชนคนหนาไม่ได้เห็นท่านพูดว่าผมเป็นพระลรหันแล้วผมเป็นพุทธชนคนหนาถ้าไม่ได้สําคัญตัวอะไรอะไรแต่ธรรมะชั้นสูงของท่านมีอยู่อันหนึ่งมุตโตไทที่แต่งขังข้งแรก ถ้าไป ม, มีที่อยู่ก็ไปอยู่ที่สูนทรเนื้อความในหนังสือเล่มนั้นธรรมะชั้นสูงในหนังสือเล่มนั้นมีอย่างนั้นแต่หลวงปู่มั่นไม่ได้กล่าวอย่างนั้นวันหนึ่งหลวงปู่มหานั่งนั่งอยู่ด้วยสามสี่อมท่านมหาท่านมหาถ้าสําคัญตัวว่าเสวยเป็นอันผิดทั้งนั้น เอมมอธรรมะข้อนี่แปลกเหลือเกินติดใจเราถ้าสำคัญตัวว่าสวยเป็นอันผิดทั้งนั้นท่านพูดอย่างนั้นธรรมะชั้นสูงของท่านมันสมเหตุผลเนี่ยทีนี้พระสมาพระพุทธเจ้าสวยมุติสุขอยู่อัจฉริยโคตรราชายญานะ แห่งละเจ็ดวันเห็ดวันเจ็ดวันเราผูกสมมุติกันว่าองค์ท่านเสวยมุติสุขเพราะฉะนั้นเราผูกสมมตุติอยู่แห่งละเจ็ดวันเจ็ดวั น, วนเป็นสี่สิบเก้าวันเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าสมมติจะเรียนบ้างอาชบาลแล้วนี่โคตบ้างราชายธนว่างไม่เกรดบ้างสามมติจะเรียนบ้างพอตัดสิ้นแล้วเสวยมุติสุขอยู่เจ็ดวันอันนั้นเราผูกเพื่อให้รู้จัก ความหมายกันไอ้ที่แท้พระบรมศาดสดาสาคัญตัวว่าเสวย อ, อยู่ที่ไหนใครก็ไม่รู้ได้เป็นเพียงสมมุติมาให้กันฟังเฉยๆ เ, เช่นนางธรรมทินนาผัวเป็นผัวเป็นพระอนาคามีจิตตะคขึ้นมาบอดีนางเป็นพระอรหรันไปถามนางคุณนอก เวลาอยู่ในนิโรธสมาบัตินั้นนึกอะไรบ้างไม่สาคัญตัวว่าอยู่ในนิโรธสมาบัติไม่สาคัญตั ว, วอยู่นอกนิโรธสมาบัติแต่เวลาออกมาก็ออกมาหากิตตะสังขารเมื่อออกมาหาจิตตะสังขารแล้วก็ออกมาหาวจีสังขารแล้วกายสังขารแล้วก็มาหาวจีสังขารแล้วก็ออกมาเลย ออกมาก็เห็นลมหายใจเข้าออกเพราะเข้าไปที่นั้นนะไม่สำคัญตัวเราอยู่ในนีโรธสธรมาบัติพระหารท่านไม่สำคัญตัวท่านอยู่ในที่ใดๆเลยแต่ท่านพูดสมมุติตามเป็นจริงของสมมติอนอนเอ๋ ย, อยนอ์เอ๋ยเอาหน้ามาให้เราดื่มเราหิวนักเราบอลงมามากเ า, ศาไปเมืองกุชินาราเอาผ้าชังคาติปูรงให้ครบสีชั้นซะ เราจะเอ็นกายสักหน่อยนี่ไหมความที่ท่านพูดตามสมมุติค่ะค่ะกับว่าอนอนเอ๋ยรถคันนี้มันเดินมานานมน้ามันแห้งแล้วเธอเอามาใส่สักค่ะค่ะกับพูดอย่างนั้นล่ะเข้าใจไหมสินี่เข้าใจนะเออรถคันนี้มันเดินมานานมันวิ่งมานานน้ามอหน้ามันแห้งแล้วเอาหน้ามาใส่มันสักค่ะค่ะกับว่าอย่างนั้นล่ะค่ะค่ะว่า อนัตตาดอกอนนท์เอ๋ยอนนท์ก็ไม่รู้จักจะเอาหน้ามาให้ดืมมละพูดสมมุติก็ไม่ติดสมมุติท่านพู้พ้ไปแล้วพูดวิมุตก็ไม่ติดวิมุตยจะพูดหรือไม่พูดก็ไม่ติดพูดก็ไม่ติ ด, ด, ตดอันไม่พูดเหตุฉะนั้นท่านไม่ติดอยู่ในที่ใดๆทั้งสิ้นทั้งอดีต ท, ทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยมีพระองค์หนึ่งในระหว่างยี่สกว่าพรรษามานี้น่ะ หลวงปู่กองมาสิ้นลมปราในเวลานั้นเราสิแปดพรนษาแต่มันล่วงมาหลายปีแล้วยี่สิบกว่าแล้วคุบปาคุบปาพ้นแล้วหรือยังยังยังไม่พ้นหรอกกิเลสของผมเท่าฟ้าเท่าแผ่นดินยังไม่พ้นผมพ้นแล้วท่านพูดอย่างนั้นเออท่านพ้นแล้วผมก็ขอบใจชอบใจนักท่านเล่าให้ผมฟังดูสิ แต่ว่าท่านอาจารย์จวนก็นั่งฟังอยู่อดีตอนาคตผมเบื่อแล้วครับผมอยู่ปัจจุบันเดียวนี้ผมไปกราบเรียนท่านอาจารย์ขาวท่านอาจารย์ขาวก็ให้คะแนนผมอยู่ไม่ว่าแต่ท่านอาจารย์ขาวผมก็ให้คะแนนท่านเดียวนี้คือท่า น, น, นยังไม่พ้นหรอกท่านยังอยู่ในปัจจุบัน ท่านรวมศีลสมาธิปัญญาในปัจจุบันกรรมฐานแล้วเดี๋ยวนี้ท่านเบื่อจะไปนึกอดีตท่านเหนือจะนึกไปนึกอนาคตเพราะมันล่วงมาแล้วเพราะมันยังไม่มาถึงเพราะอดีตมันมีแต่บัญชีมันล่วงแล้วอนาคตมันยังไม่มาถึงมันก็มีแต่บัญชีปัจจุบันมันมีทั้งหนังทั้งเขาด้วยทั้งบัญชีด้วยท่านมาอยู่ในปัจจุบันท่านรวมศีลสมาธิปัญญาอยู่ในปัญญามาอยู่ในปัจจุบันแล้ว รวมแปดหมพระธรรมขันธ์มาอยู่ในปัจจุบันแล้วท่านเ ด, นดินเดินมัดถูกแล้วอยว่างนี้แต่ท่านยังไม่พน้นเนอเ อ, อ้าผมจะอธิบายท่านฟังผมเป็นผู้ไม่พน้นแต่ผมจะอธิบายท่านฟังอดีตคือหางปลาอนาคตคือหัวปลาท่านไม่กินสหางกับหัวมันท่านมากินที่ตรงพุงของมันที่อร่อยอร่อยอยู่นี่ท่านจะปฏิเสธ แชราแกมโกงว่าไม่กินปลาตัวนั้นผมก็ไม่ยอมท่านเราพูดอย่างนี้ทีนี้ถ้าตริกเกาหัวทีนี้เอ้าผมจะทุกเล่าให้ท่านฟังพระอรหันต์เป็นผีบ้าอะไรก็ไปเฝ้าปัจจุบันอยู่ถ้าพระอรหันต์เป็นเฝ้าปัจจุบันอยู่พระอรหันต์ก็เป็นเปรตสิเพราะเกรงว่าปัจจุบันมันจะหายไปเอ้าผมขอ ย, ย้อนถามท่านพระอรหันต์รักษาจิตน้อย พระนั่งหันานการักษาจิตถ้าจิตไม่มีเทวดะรักษาทําไมอันพวกเราถ้าไม่รักษามันก็พิษจริงๆเราก็พูดอย่างนี้ทช่ไหมแกก็เลยเกาหัวอีกทช่ไหมทชั้นสูงไม่ใช่ของง่ายเนอออถ้าสําคัญตัวว่าอยู่ในที่ใดมันเป็นอันพิดทั้งนั้นมันพปร่งคาสอนของพระพุทธศาสน์ของลพบุูีมั่นอย่างน้นะนั่นนั่ น, น, นทำชั้นสูงอะไรเนี่ย พี่สาวของเราภาวนาใกล้จะตายมาเป็นแกสักว่ารู้เป็นแกสักว่าเห็นความกำัลมให้ใจเขาออกไปเผาแล้วได้กระดูกเท่านี้นพี่สาวของเราได้กระดูกเท่านี้นไม่เกือบหมดเลยชื่อว่าแก้วเกิดก่อนเราแปดปีพี่สาวชั้นที่สองพี่สาวเหนือเราไปขั้นหนึ่งเราเป็นลูกสุดท้องลูกแปดคนเราเป็นลูกชุดท้อง เราเป็นลูกทุดท้องสี่ปีจึงร่วมกันมารดาของเราลูกเกิดวันไหนเวลาใดรู้จักจำได้หมดสี่ปีจึงร่วมกันไม่รู้จักแต่วันที่เท่านั้นเพราะท่านไม่รู้หนังสือลูกแปดคนไปหมดแล้วยังเหลือแต่เราคนเดียวถ้ามองเห็นโลก เต็มไปด้วยล้มถานเพลิงคนนั้นสร้างบา ร, รมีแก่มาแล้วเน้อถ้ายังจะแข่งดีอยู่ในวัฏสรรงสารบาปมียังไม่แก่ถ้าปฏิบัติเพื่อพันทุกในวัฏสรรงสารปัญหามันก็ไม่มากถ้าภาวนาเพื่อราบเพื่อยศเพื่อส ร, รรเสริญหรืออะไรอะไรอยู่ในอาเวทมันก็ปัญหามากเพราะเราทำให้มาก ปัญหาผู้เห็นไปในวัฏสงสารอย่างเต็มที่มันก็ดับเพลินในวัฏสงสารอย่างเต็มที่ไปในตูวทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นเพราะมันภาวนาเห็นเวลาไหนก็เห็นแต่กองทุกข์เห็นแต่เกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแต่สายพระนิพพานไม่ได้มาอยู่ในที่นี้พระองค์หนึ่งยืนยันว่าพระนิพพานเป็นของศูนย์ เออศูนย์ก็ศูนย์บางสิ่งสิจะไปศูนย์ทั้งปวงมันไม่ถูกพระนิพพานไม่อยู่มันจะศูนไปทีไหนเอา้าท่านเห็นขันห้าเป็นพระอรหันหรือไม่อย่างนั้นท่านเห็นธาตุสีน้ำไฟรลมเป็นพระอรหันหรือไม่อย่างนั้นถ้าอย่างนั้นท่านจงหาพระอรหันในสกลละกายละกลสกลละขันสิอ๋อผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยอะในกระดูกามากหัวใจตับปังผื่นไตปอดไข้ใหญ่ไข้เล็ก อ, อาหารใหม่อาหารเก่า นี่ธาตุดินนี่ยกไปนี่หาพระรหันไม่เห็นหน้าที่นี่หาพระรหันในธาตุน้ามัดูสิดีสเลตน้องเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตาเปรี้ยวมันน้ำลายน้ำมูกนำ้ำไขข้อน้ำมูดแยกออกมาธานี่ไม่เห็นแล้วพระรหันเนี่ยหาพระรหันในไ ฟ, ไฟไฟที่ยังกายให้อุ่นไฟที่ยังกายให้สุดโตกไฟที่ยังกายให้กระวนกระวายไฟที่เผาอาหารให้ย่อยอ้าวไม่เห็นซะหาพระรหันในลมลมพัดขึ้นเบื้องบนลมหาวลมเลอลมอวก ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นแต่สาก็ธาตุลมไม่เห็นเสียแล้วทีนี่หาพระรหัสในธาตุสีในน้ำไฟลมไม่เห็นหาพระรหัสในน้ำขันที่นี่หาเนี่ยพระรหัน์ในเวทนาสุขทุกอุบเบกขาก็ไม่เห็นซะหาพระรหัน์ในสัญญาความจำรวบจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำโหดทพะจำธรรมารมก็ไม่เห็นซะหาพระรหั น, น์ใน ส, สังขารความปรุงแต่งแห่งกิจให้ดีให้ชั่วให้เป็นกลางให้อุเบกขาก็ไม่เห็นซะ หาพระอรหันในวิญญาณจะขู่วิญญาณโสตะวิญญาณทานะวิญญาณคิวหาวิญญาณกายะวิญญาณเมื่อโนวิญญาณก็เป็นแต่สักว่าวิญญาณลูกก็เป็นแต่สักว่าลูกเวทนาก็เป็นแต่สักว่าเวทนาซะสัญญาก็เป็นแต่สักว่าสัญญาสังขารก็เป็นแต่สักว่าสังขาระวิญญาณก็เป็นแต่สักว่าวิญญาณะเลยไม่เห็นพระอหัถ้าหากว่าเห็นไหล่ะเห็นพระอหัไม่เห็นไม่จะผ้า ถ้าไม่เห็นท่านไม่ท่านยืนยันว่าพระทหารตายแล้วสูขนถ้ามีผู้มาถามว่าพระทหาตายแล้วไปอยู่ที่ไหนท่านจะตอบเขายัางไงตอบว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาที่ไม่เที่ยงนั้นดับไปแล้วเออดีละดีละนะักนะักนะักนักความสําคัญตัวมีอยู่ในที่ใดใ นั่นคืออุปาทานจงทํากิจให้ว่าบางท่านก็บอกว่าบางท่านก็มาถามว่าดิฉันภาวนาไม่ข้ามเวทนาเลยจะทํำยังไงพ่อเจ้าข้าเออถ้าสาคัญว่าเวทนาเป็นต น, ต น, ต น, เ, ปนเป็นเวทนามันก็ข้ามไม่ได้สิล้วก็ตอบอย่างนั้นเองดิฉันข้ามภาวนามันข้ามผู้รู้ไม่ได้ เออสําคัญว่าพุรุเป็นตนตนเป็นพุรุมันก็ข้ามมาได้สินะเพราะในโลกจะหาจะหาพระรหันในโลกมันไม่เห็นหรอกอที่ท่านบัญญัติว่าพระรหันมีอยู่ในโลกอย่างนั้นอย่างนี้ท่านก็พูดเป็นบุคราธิษฐานท่าไม่อย่างนั้นมันก็ไม่รู้จักความหมายกันไอ้แท้ๆพระรหันผีว่าอะไรจะมาเฝ้าโลกที่นี่โลกตาโลกหูโลกจมูกโลกลิ้นโลกกายโลกไก ท่านรู้เหนือความหลงของตนไปแล้วชนะความหลงของตนไปแล้วรัดิือมือเดียวเลยนะปฏิบัติมานมนานเวลาชนะจะชนะมันก็ชนะรัดมือเดียวเลยนะักนะักมันเต็มมาแล้วมันก็ชนะรัดมือเดียวเลยเวลามันจะชนะชนะความหลงด้วยความไม่หลงชนะความเกียรข้าด้วยความไม่เกียรข้า ชนะเล่นเลขเล่นผาด้วยความให้เล่นเลขเล่นผานะักชนะสิ้นห้าด้วยความมีสิ้นห้าชนะความไม่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาะด้วยความเลื่อมใสนักนักนั่นะั่นะนะนะนะนะชนะความเกียจข้าม ด, ด้วยความมั่งชนะความหลงด้วยความไม่หลงนะักนะ <c oughs> สัสูสูสู กูไปพูดจอกกอ็จะไม่ได้ตัวจริงมมกเพราะทีว่านีนจ่จริงจริงทั้งเก็บหายอย่างนะี้เอลอาเมื่อไรบอกเจ้าอย่างทั้งเก็บหายอั่นะี้เดี๋ยวเดี๋ย ว, ยวอภิเนหานยังข้างอยู่จะอธิบายเยารืเ่องอภิเนหานแมลงวันมีอภิเนหานทางกินมดคู่ แมลงผู้แมลงเพิ่งมีอภิอภิหานทางกินเกสรดอกไม้ผู้ทำบาปก็มีอภิเนหานในทางบาปผู้ทำบุญก็มีอภินิหานในทางบุญพระอาหารหันต์มีอภิเนหานไม่มาเกิดแก่เก็บตายอีกพระอนาคามีมีอภิเิหานไม่โกรธโกรธไม่โรคแต่ว่าหลงยังไม่อยู่พระสวสดาบาลมีอภินิหาน ทางไม่หลงทางเพราะเข้าสู่ประตูพระนิพพานแล้วปลาดถมีอภิเนหารทางดําดินปลาไหลก็เหมือนกันไสเดือนก็เหมือนกันนกมีอภิเนหารทางเป็นในอากาศแต่เราก็ไม่บอกว่าสักกุณญาณะหันนั่นเขามาเฉียงกับอา จ, จมาเหมือนกัน มาเถียงรลายอย่างเขาก็เถียงไปตามความเห็นของเขานเนี่นแหละเขาเห็นอยู่ในชั้นในเขาก็เถียงอยู่ในชั้นนั้นเอ้ามแมลงวันมันก็บอกว่าประชาธิปไตยของมันใช่ไหมมันก็บอกว่าสังคมนิยมของมันใช่ไหมมันก็บอกว่าโลกเขาพาเป็นใช่ไหมแมลงผู้แมลงพึ่งมงันก็บอกว่าประชาธิปไตยของมัน สังคมนิยมของมันโลกเขาพาไปมันก็ว่าต่างคนก็ต่างอ้ามันก็ถูกทุกคนมันก็ถูกสําหรับแมลงวันมันก็ถูกสําหรับแมลงพึ่งมันก็ถูกสําหรับพระหานมันก็ถูกสําหรับพระจักรทาคามีมันก็ถูกสําหรับของพระอนาคามีมันก็ถูกของชั้นของพระสวสดา์บัณมันก็ถูกตามชั้นของพุทธชนคนหนาพระบรมศาสนา องหนึ่งพระธุทิตว่พระองค์หนึ่งภรรยามาบวชแล้วเป็นต้นมัดหักมาบวชแล้วก็ไปทําเมถุนกับภรรยาของตนพระบรมศาสดาก็ดุใหญ่เลงเออมันก็ดีสําหรับเธอแต่มันไม่ดีสําหรับนักปราดพระบรมศาสดามันถูกแล้วเธอ แต่ว่ามันมันไม่ถูกกับนักปราชญ์กันพวกนั้นทำเราสอนเพื่อให้ท่านบรนเทาราคะโทสะโมหะท่านกลับเอาไปบวกเสียโมฆะบรดุลโมฆะบรดุลมันดีสําหรับเธอมันไม่ดีสําหรับนักปราชญ์ท่านพูดทําไมเพราะมันแล้วไปแล้วพูดเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังในอนาคตสําหรับคนนั้นมันเสียไปแล้วเหตุไน ระดาบทอุทกดาบทรามบุบทจึงไม่สำเร็จพระโสดาบันก็เพราะภาวนาไปถึงชั้นในวสัญญานาะสัญญายัตนะแล้วขอตอบว่าพระท่านเหล่านั้นไม่ถึงไตรสรณคมอัญญัติชัดตุ้ธเทศยังถือรัธิอื่นแข่งดีกับพระพุทธศาสนาอยู่ก็เพราะเหตุว่าพระพุทธศาสนายัางไม่เกิดขึ้นพระบรมศาสดา จะไปประกาศพระศาสนาะจะไปเทศเอาท่านในวันนั้นแล้วพอสําเร็จพระหรหัสแล้วเอพอสําเร็จพระหรหัสแล้วก็หาออกกากนิโรธชมาบัตดมาออกกากที่ไปยืนอัชบาลในโคตแล้วก็จะหาผู้เทศจะไปเทศเอาจะไปเทศเอ า, เเ อ, าอาราดายวดอุตการ า, าบทก่อนได้ทราบข่าวว่าเออท่านล่วงไปแล้วเจ็ดวันแล้วอท่านต้องไปเกิดในเนวาสัญญาณนะสัญญาณยตนะในอารม ป, ประพรม มีอานิสอง์อยู่แปดมื่นสี่พันกลับถึงอย่างนั้นก็ยังเป็นพุทธชนคนหนาอยู่